เป็นมันพระเกิดสิบห้าค่ำเึ็นห้าเป็นวันที่เราพุทธบริษัททั้งหลายทั้งบรรดาิตการพลิงหัดมบาศกปฏิกาใคร่ธรรมสัมมาปฏิบัตริรักษาอุบโบสตรสิทรักษากายวาจาจิตให้มีสติปัญญาให้มีสมาธิมีปัญญาในวันธรรมสุวรรณเช่นวันนี้ รักษาจิตโดยใช้สติควบคุมนั่นก็คือจเจริญสิลสมาธิปัญญานน่นเองแต่เราไม่เข้าใจในการปฏิบัติสิลแต่เข้าใจคิดคิดผิดว่าเรามารับสินกับพระแล้วก็ไปผู้มีสินพก็ออยังใช้ไม่ได้ผู้ทรงสิ่งทรงธรรม ก็ต้องมีสติใจจำสำัมปชัญญะมีความรู้ขณะลมหายใจเขาออกตลอดในการด้วยการเจริญธรรมสัมมาปฏิบัติในหน้าที่และเรามาปฏิบัติธรรมก็มาบงเพ็ญเนคขมะปฏิบัติให้เฉดสงบแล้วก็เจริญกุศลภาวนาด้วยการเจริญสติปัะชานสี่ แนวทางสายเอกของพระพุทธเจ้านั่นเองสติปัฏฐานสีน่นี้บอกไว้าชัดเจนมากวัวกายในกายกายเราจะยืนเดินนั่งนอนนี้สำหรับผู้มาใหม่ก็ดีเกล่ากวก็าตามแต่ก็ลืมตายในกายกายนายคือมีสติให้ครบจะจะเคลื่อนด้อริยบทต่งางๆก็กำหนดมีสติ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 ที่เรามาฝึกปฏิบัติกนั้นต้องการจะสร้างปัญญาให้เกิดในตัวเองไม่ต้องการจะไปเอาปัญญาคนโน้นปัญญาคนนี้แต่ประการใดการปฏิบัติธรรมจึงเป็นตัด ก, กาึ่งางเฉพาะตัวเองเท่านั้นคนอื่นหาได้ดูไม่แต่การปฏิบัตินี้นำะไปใช้มาเข้าปฏิบัติเขเจริญกรรมาฐาแล้วถึงจะใช้สติต้องใช้ตลอดชีวิต ชีวิตนี้คือมีค่าอันสำคัญของจิตโดยค่าของจิตก็คือชีวิตที่มีประโยชน์ต่อตอนและประโยชน์ต่อบุคคลอื่นั้งโดยใช้สติสัมปั ญ, าญญามาควบคุมการปฏิบัติเช่นนี้เนะี่ยผู้ปฏิบัติไม่ได้สนใจในเรื่องตัวนี้เลยขาดสติไปมากในเมื่อขาดสติไปแล้วจิตใจมันก็หลง เคลนพล่านไปมีโมหะผลิตอยู่ในจิตนีม่มาโมหะผลิตเกิดขึ้นในจิตแนละ้ขาดความรู้ขาดความเข้าใจก็เป็นตัวหลงเหมือนเราหลงทางไปมันเสียเวลาการกับชีวิตของเรามากถ้าเรามีสติอยู่ตลอดเลยการแนละ้วโมหะก็ไม่เข้ามาย่ำยีดีขาความหลงมันก็ไม่หลงจิตใจก็ไม่งงเจตใจก็สแสดงออก ซึ่งเป็นผู้มีปัญญานี่อย่างมี้ทงจะเรียกว่าปัญญาในตัวที่เกิดขึ้นแต่ญาโยมที่โยมมาปฏิบัติธรรมต้องใช้อยากจะให้เกิดปัญญาในตัวเองไม่ต้องไปเอาปัญญาผู้คนอื่นแต่ประการใดที่เราเรียกว่าคุณของพระพุทธเจ้าลัทธนากราบางทีถามโยมโยมระตอบไม่ได้ว่าคุณค่าของลัาธนากรามีอะไรอยู่ประจําจิตใจหรือบ้างโยมก็ตอบไม่ได้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 ให้มีวิชาในการขลาดในการทำงานเท่านั้นแต่หากว่าเราไม่เรียนในวิชานั้นมาเราก็ไม่สามารถจะดำเนินงานวิถีชีวิตนี้ด้วยการทำงานและหน้าที่ได้แน่นอนแต่วิชาที่เราก็เกิดว่าปัญญาในตัวในเนี่ยมันแสดงออกมาด้วยการฝึรกกรรมฐ า, านทำให้เกิดปัญญาในตัว ทำให้เรารู้ตัวอยู่ตลอดเวลาการนั่นว่าเรารู้และเราเข้าใจคนรู้ธรรมะแต่ไม่เข้าใจธรรมะก้อนเนื่องจากมือจากปัญญาตัวนอกอ่านธรรมะอ่านหนังสือพระไตรปิฎกเรียนรู้ธรรมะมาเป็นมหาปเรียงในกกมากหลายแต่ปัญญาตัวในมันไม่มีชื่อไม่มีตัวหนังสือที่จะมาบอกตัวเราได้ไม่บอกคนอื่นได้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 ที่จะเป็นธรรมศาลาสุขธรรมภาวนานิยก็มันไล่วิญญาณมันก็เป็นตัวซาลาขึ้นมา ก, ก็เรียกว่าลุกนั่นจะกายภายนอกของบุคคลนั้นที่เราไล่วิญญาณแต่เรามีทั้งวิญญาณมีทั้งกายนอกมีทั้งกายในมีทั้งจิตมีทั้งใจมีทั้งเมื่าหาสาละแผ่นแกนสารในตัวเองเพร้อมมูลบริบูรณ์ดีแล้วแต่เราไม่ใช้ไม่เป็น เราใช้ไม่เป็นการมันถึงจะพูดไม่เป็นทำไม่เป็นแล้วก็ฟังไม่เป็นคนที่ใช้ใ้เป็นประโยชน์จากตัวเองก็เรียกว่าฟังเป็นใช้ก็เป็นพูดก็เป็นมีความเข้าใจในตัวเองและความเข้าใจในตัวเองเป็นอ่านออกบอกได้ใช้เป็นแล้วก็สามารถจะอ่านคนอื่นออกได้รู้วาลจิตของตนได้เมื่อใด ปัญญาตัวในมันก็จะเกิดขึ้นมันจะปุูกขึ้นมาเป็นตัวหนังสือได้เรียกว่าอ่านหนังสือไม่มีประวัติมันพันตัวอยู่ในจิตใจเราเพรบเพราะเราอัดเข้าไปอัดเข้าไปเหมือนจิดนี่เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์อันหนึ่งที่จะต้องอัดเสียงอัดอะไรเข้าได้ใชนั้นแล้วก็สามารถจะอัดเป็นละลานตัวคืออารมณ์ของเรานั่นเองอารมณ์มันเปลี่ยนแปลงสภาพอยู่เสมอ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 เราไปหาชั่วมาเองแล้เราก็เป็นคนดีแล้วก็ไปหาของดีมาเองไม่ใช่ว่าความชั่วมันจะวิ่งเข้ามาหาเราความหายานะเช่นอะไยมุขสุลายาเมาการพ น, นันต่างๆไม่ใช่ว่ามันมาหาเราเราไปหามันเราไปติดมันเข้าไปติดการพ น, นันไปติดเหล้าเมาสุราติดยาเสพติดเป็นตน้น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 ใกำหนดว่ า, ายานุปษษัฏนานติปทานมีสติกำหนดกายเช่นยืนหนอห้าครั้งขอญาตโยมทำให้ได้ยังไม่มีใครทำได้เดินตั้งสติไว้ก็มองกำหนดว่ายืนลงไปถายแสงลงไปยืนหนอลงไปที่ปลายเท้ายืนสำรวมจากปลายเท้าขึ้นมาบนที่ศัก เื่หนออย่างนี้เป็นต้นถ้าหากว่าสติเราดีแล้วจิตใจมันก็จะอยู่มัน่นคงมันจะเกิดปัญญาในภายในจะรู้อารมณ์ของเรารู้ว่าแล้วจิตของเราหายใจยาวหายใจสั้นทั้งละยและเราก็จะมีสติควบคุมอยู่เสมอภายในมันก็แจ่งชัดแต่ตัวเอง ตัวเองก็จะอ่านตัวออกบอกได้ใช่เป็นะจะเห็นตัวตายคตายที่ถี่จำลึกชอบเรียกว่าผูนได้ผลอันนาเป็นหลักฐานสําคัญเกิดที่ตัวเองทั้งนั้นก็ปัญญาเนี่ยปัญญาตัวในเนี่ยต้องทําขึ้นไอปัญญาตัวนอกคือไปเรียนหนังสือเนี่ยจะเรียนมหนึ่งถึงมหกใครก็เรียนได้ป ร, ริญญาตรีก็มีป ร, ริญญาโทก็มีองอาศัยศึกษาเล่าเรียนทั้งนั้น แต่ไอการศึกษาเล่าเรียนชีวิตนี้เนะ่ะมันมีค่าชีวิตที่มีประโยชน์นี้ให้เกิดปัญญารุ่งโรดโทษนาตาการเกิดแสงสว่างคุณงจิตใจจิตใจไม่สศรมองจิตใจก็ผ่องใสปัญญาตัวนี้ไม่มีใครมาศึกษาไม่มีใครมาสแสวงหาความรู้แต่ประการดดใดปัญญาโยมมานั่งสมาทานไม่เจีมากันทรงเดช ละได้ไของทรงเดชไปเดินตรงกลมยังไม่ได้กำหนดฝิกสังเสติปัญญาของตนในตัวนายไหนเลยลจะแก้ปัญหาไดา้ก็ไปฟังเขาพูดเถียงนกเถียงตาเขาบอกมานั่งกรรมาฐานแก้ปัญหาไดา้ถูกต้องตามที่พูดแต่วิธีปฏิบัติไม่ถูกต้องเพราะเหตุใดเพราะไม่ได้ดปฏิบัติจริงทำไม่จริงพาธรมาธิ จิต ก, ก็เคว้งคว้าหาที่เกาะไม่ได้ขาดสติไปปัญญาก็ไม่เกิดในตัวนายนี่ไอปัญญาไปเรียนหนังสือมาเนี่ยฉลาดเฉลเยเียวกัเปลียวอ่าฉลาดเฉลียวเปรี่ยวปราดในวิชาการก็เรียนทันกันไลยหมดทุกคนมีพันคนก็เรียนจบในพันคนแต่ปัญญาที่จะได้ในตัวนายเรียนจบช่างครบพันคนไม่ได้ องมีสัจธรรมมีความเชื่อความเมืองสายและเกิดปฏิบัติตัวเองขึ้นมาจะอยู่ในฐานะใดอยู่ในคติใดจะอยู่ในภพไหนจะอยู่ในท่าอริยบทใดจะยืนหรือจะเดินจะนั่งหรือจะนอนจะเลี้ยวซ้ายหรือแหลกขวาจะคู่หรือจะเหียดเหยียดขาก็ใช้ปัญญาตัวนี้คือสติกำหนดกายไม่กาย กายเลื่อนย้ายก็กำหนดคู่ขมาเหยียดออกไปก็ต่างกำหนดสติก็ดีขึ้นสมาธิที่เกิดขึ้นในเรื่องตายเหล่านะเรียกว่ากายชิดมันเกิดที่อำนาจทางกายให้จิตของเหล่านี้เองไม่ชชยอยู่ที่อื่นแต่ประการใดมีอะไรก็กำหนดได้ ท, ทันทีอยู่ตรงนี้คือปัญญาตัวไหนเดี๋ยวนี้ไปหาปัญญาจะตัวนอก ไ ป, ศ, ไ ป, ปศึกษาไปฟังพระเทพไปฟังพระบัญญาไปบวชชีพรามไปฟังพระเทพแล้วก็แจกกระถิงแจกกองผาป่าแจกอะไรกันไม่พักสั่งก็ลามา่างสาโบตร์ละอย่างนี้ท่านก็เรียกว่าปัญญาตัวนอกไม่ใช่ปัญญาตัวนายในจิตใจของท่านเลยท่านจะแสดงออกบอกไ้นยังไรว่าปัญญาของท่านที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างนี้มันจะมีที่ไหนเล่า เห็นตายานุปัสฐาสติปัฏฐานข้อหนึ่งมีสำคัญมากตายืนยืนหนอ่อเอาสติตามจิตให้มันทันอย่าไปยืนแล้วก็กำหนดไม่ได้นะยืนลงไปก็ผ่านไปปลายเท้าอย่าไปวิจยัยอย่าไปประเมินผลอย่าไปว่าเปสาโลมาหรือวันหนังเนื้อหนังมังสังการถามที่สองหรือการเจริญสติอันนี้นะ่ะ มันก็เป็นอย่างนี้หรืออ น, นิจจังไม่เที่ยงทุกครั้งอนัตตาไม่ใช่ให้พิจารณาอย่างนั้นให้เราต้องการมีสติในภายในเรียกว่ากายภายในมีสติอยู่ภายนอกเรียกว่าภายภายนอกเช่นเราจะมีจิตนี่มันจะสั่งงานให้เดินสั่งงานให้หยุดของจิตมันสั่งแล้วก็กายก็ทำไปตามจิตที่สั่ง ถ้าสติกับจิตมันอยู่ในการผนึกเป็นแบบเดียวกันแล้วมันจะทั่งงานที่ถูกต้องทางงานที่ดีจะทําอะไรก็สร้างแต่ความดีคิดแต่ความดีลีเ้เลิมดําเนิน ง, งานด้วยความถูกต้องจะทําอะไรมีแต่ได้ไม่มีเสียแน่นอนที่สุดจะมีความเสียหาย ห, ายหรือบอกพร่องไปบ้างก็ น, น้อยเป็นสิ่งคนที่บกพร่องงานการมากมายไม่เอางานเอาการขี้เกียจตลอดเลยการ งา น, นหมายความว่าเขาขาดปัญญาตัวนี้ไม่มีปัญญาที่จะอยู่พระสิทธิ์ให้มีสติ ป, ปัญญาดูในภายในได้เขาจึงิี้เกียดไม่อยากจะช่วยงานใครแล้วไม่อยากจะทำงานให้กับใครตัวเองก็จะช่วยตัวเองไม่ได้แะจะพึ่งตัวเองก็ไม่ได้จะสอนตัวเองก็ไม่ได้ต้องมีปัญญาในตัวถึงจะสอนตัวเองได้ สามารถจะเปลี่ยนระบบนิสัยปัจจัยจากอัชญาสายที่เร็วลายกลับล้ายไกดีได้ทำให้อาชญาสายโอบอ้อมอารีวัตีก็ไปเลาะสงเพราะทุกคนวางตนให้เป็นกลางมันก็เกิดขึ้นกับตัวท่านเองนี่ปัญญาตัวไห น, นเรียกว่ามันไม่มีตัวหนังสือบอกจะไปดูหนังสือกี่และร้อยเล่มทันกว่าแพ่นนั่นเอง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 ออก็อยู่ที่งานในสมาธิไม่ทิ้งงานและหน้าที่สมาธิก็ดีปัญญาก็เกิดในตัวนานงานการที่ทำนั้นก็ไม่เสียหายจะไม่บกพร่องแต่ประการใดคนที่ทำงานเสียหายและบกพร่องตลอดปรการนั้นก็ขาดปัญญาตัวนานจะมักร่ายมักได้ทำอะไรก็มักง่ายมักได้ไม่เหนียบร้อยไม่หมดจดไม่ไม่ถูกแบบทำอะไรก็ ขอไปทีเท่านั้นอยาาพายมากถ้าคนมีปัญญาภายในละเอียดดูกระชิด ด, ช ด, ด้วยการกาหนดจิตได้เช่นดาเปล่าแรกปกิท่านจะดีขึ้นจิตใจท่านจะละเอียดอ่อนจิตใจท่านจะอ่อนน้อมต่อท่านผู้ใหญ่จิตใจจะโน้มเอียงไปในทางดีเสมอจะไม่ลิดเริ่มในทางที่เสียหายจะประทานได้จิตจะไม่หลงแหลกแตกลาน ลัล่วเวหลวไหลอีกต่อไปทำอะไรก็เป็นแกนสารทำอะไรก็เป็นเนื้อหาสาระก็ได้อาศัยปัญญาในตัวในนี้ปัญญาตัวนนี้ไม่มีใครไปชนไม่มีใครปฏิบัติกันหมายความหลากหลายหมายความมาสุขทาง้จจิตใจมีความสุขไม่มีทุกข์นั่แหละปัญญาตัวนายไม่มีใครจะไปแสหาแ่ประการได้มีความหมายอยู่ตรงนั้นมากมาย ยืนหนห่๕ครั้งบางทียืนได้เอาปากยืนหน่เฉยแต่ศีกไม่ไป็สีไม่ตามปัญญาท่านจะไม่เกิดเลยได้จะรู้ได้จะร้ายว่าปัญญาตัวนายของท่านเกิดแล้วต้องทําได้ครองด้วยแล้วช้าด้วยฟังก็สีไว้ในภายในจิตใจก็ดีจิตใจก็มีปัญญาตัวนนยทำอะไรก็จะแก่ปัญหาแก้อารมณ์ร้าย ให้สับร้ายใจดีได้อชยาสายที่ใจล้อโลนใจมักง่ายมักได้มันก็เกิดความละเอียดอ่อนขึ้นมาก็กลายเป็นมักแปกลายเป็นสิงกลายเป็นสมาธิกลายเป็นปัญญาหลอบลู่มังกงการทังขานอ่านออกบอกได้ใช้เป็นอารมณ์ของเราชิ่นี้แล้วเหตุใดแล้วจะรู้คนอื่นไม่ได้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 ไหนมาเป็นเช่นนี้ไหนเลยแล้วปัญญาที่จะแก้ไขปัญหาไม่แต่สร้างปัญหาสร้างความทุกข์ไม่ได้วามความสุขให้แตจิตใจจะประการได้เลยสร้างแต่ปัญหาให้เกิดอยู่ในครอบครัวครอบครัวของท่านมีปัญหามาได้สามีภรยาคู่นั้นจะหาความสุขไม่ได้เลยต้องมันมีแต่ปัญหามีแต่ความเดือดร้อน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 กับจมีกจะความสุขกายสุขใจไม่ได้แตสติปัญญาอยู่ในบ้านทั้นตอนสามารถจะแก้ไขปัญหาให้ลูกดีได้สามารถจะแก้ปัญหาให้ครอบครัวได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุพใต้บา ร, รมีธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอนคงจะไม่ผิดหวังอีกต่อไปแล้วสามีภรรยาที่ไม่มีทุกข์ก า, ารจะปัญหากันเพราะขาดปัญญาตัวนี้ หาสติสามีก็ไม่ค่อยสามีสติภรรยาก็ไม่ค่อยจําไม่สมาธิภรรยาก็ไม่สามารถจะรู้เท่าทันเหตการที่จะเกิดขึ้นในระหว่างครอบครัวนั้นก็ไม่มีปัญญาตัวไหนอันนี้ถ้าท่านมาเจริญกรรมฐ า, านเท่ากันจะอดทนบริหารกายก็เข็มแข็งดีจะเดินจงกลอมลืมตาดูกายเทะบริหารกายเข็มแข็งตั้งสติไว้ให้อดทน ต้องการฝึกจิตให้อดทนจิตใจให้กระเสิดล่าเลิดแต่ตอนหลอดเลยสารไว้เพื่อจะต้องการอัปตายิ่งโง น, นาโถต้องการจะพึ่งตัวเองแล้วก็ไม่ต้องการจะไปพึ่งคนอื่นแต่ประการได้จะพึ่งพี่น้องก่อเปลี่ยวกายพึ่งพ่อแม่ก็แลเหลียวท่านก่อเลี้ยวรถหมดวาระแล้วเวลาสามขารก็เสื่อมเน่เท่าทะเลแต่ฉลาไปทํามสามตัด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 เป็นอาชีพที่่าเขาเป็นอาชีพที่ยาพิษเป็นอาชีพที่ของนัานเป็นพิษเป็นไผ่ไม่มีความบริสุทธิ์นาจะประการใดมีแต่พิษมีแต่ภัยมีแต่สเสนียดจังหลายทั้งอาชีพการงานก็เป็นเช่นนั้นด้วยแถมด้วยคนมิีอาชีพไม่เป็นเป็นคนสัมมาทิฏิคนที่มีปัญญาตัวนายช่างมีแต่สบิปัฏฐานสี่กบ แล้วเสติเรียกว่าอืมาประกอบอาชีพการงานเรียกว่าไม่ใช่นิชานิถิแต่เป็นสิชถิที่ชอบแล้วประกอบส ม, มาถิถิประกอบถิถิโดยชอบใช้ชีวิตต่อธรรมะและชีวิตครองรักครองเรือนคลองคลองสิดครองใจคลองเหตุครองผลอยู่ได้แต่ตนในครอบครัว ไม่กลายเป็นคนมกนัมกง่ายมักง่ายจะรักกันยอดชีวิตคู่คริกตลอดกาลจะมีสามีเป็นเพื่อนคู่คลิกจะมีภรรยาเป็นเป็นคู่คลิก ใ, ในบ้านเป็นเพื่อนคู่คลิกเป็นมิตรร่วมบ้านกันว่างสามีภรรยานั่ น, นคือปัญญาตัวไหนจะไม่แหงหายนายคลายคลายกันแต่ประการใดมันมีแต่ความรักความเคารพความนอนบน้อมระบูชา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 สามีภรรยามีปัญญาตในใดจะเอาใจอย่าใส่ภรรยาภรรยาก็จะเอาใจใส่สามีต่อผัสต่างคนต่างปฏิบัติดีต่อกันจะกลายเป็นคนเห็นใจกันเป็นกาจเป็นหุ่นใจกันเห็นใจกันเอา อ, อกเอาใจกันตลอดเวลาตามแล้วก็จะพิ้งกันได้ยากเรียกว่าเอาใจกันแล้วก็ไม่ทำลายนามใจกันมีชัดเจนมาก ในเมื่อไม่ทําลายน้ำใจซึ่งตายในันแล้วก็เอาใจตันแล้วก็เห็นอกถึงใจกันมันจะเกิดขึ้นมาในรูปแบบของปัญญาสูงหนักใมาเห็นอกเห็นใจกันดีแล้วจะทําดีต่อันใจอีกมันจะเกิดสงสารกรุณาสงสารซึ่งกัตละกันจะทิ้งจะคว้างกันก็แสนใจยากจะลําบากดูก็ไว้ใจไปก็คิดถึงจะลำพึงลําพันกัน ตลอดราการบับคนดูก็ไม่ไว้ใจไฟก็ไม่มีใครช่วยชี้ชืไม่มีใครลําพึงจำพันเ์เต่อประการใดเพราะไม่มีปัญญาตูวไหนความรักก่อกลายเป็นความรักที่เลือนลางไม่ใช่รักอันแท้จริงแนี่ยไม่ใช่เลื่อนใสกันแท้จริงถ้าเราเอาใจเชื่งการะการแล้วเขาลบนับถือซึ่งการการแล้วนั้นมันจะเกิดเอาเอาใจต่อการเห็นใจต่อการ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 แกาตาขวาทลุชายแกวตาชายทะลุขาฝุก ข, ขาวหน้าเทาขาวทุกคนเราก็ต้องหวงแหนมะลุกกรตาชีวิตนี้คือจิตก็คือคู่เพื่อนคู่คิกไม่คูบ่บาดกันและการสมครสมานชั้มคือสร้างความดีในตัวนัยปัญญาตัวนัยเกิดเมดื่อใดท่านจะมีความสุขในครอบครัวจะไม่ระหองละแหงจะไม่ ห, อหมนองแห น, นกันมีจะไม่มีสู้ซ่าเฉลีประการใด ม่จะพูดกันก็พูดเพราะพูดหมอดเจาะพูดดือเข้าใจง่ายพูดร้ายเข้ญญาใจยากคนที่พูดดีๆต่อการคว้าปลาธนาดีมันเกิดขึ้นคือปัญญาตัวไหนถ้ามามีปัญญาแต่ตัวนอกมันชั่วอะไรไม่ได้ขาดมนุษย์จะสัมพันขาดวาทะขาดขาดถึงขาดธรรมขาดกิจกรรมที่มีประโยชน์นี่นี่ยการปฏิบัติธรรมมันจะได้ประโยชน์ออกมาอย่างนี้เรียกว่าปัญญาตัวไหน สามีภรรยาไม่เคยเข้าใจกันเสียงกันลุ้งแวงกันและไม่ไว้ใจซึ่งกันและกันแล้วสามีก็เก็บเงินกระเป๋าภรรยาก็เก็บเงินกระเป๋าเท่าที่เห็นมาต่างคนต่างช้กันไปและไม่มีปรองดองกันเลยเฉพาะขาดปัญญาตัวไหนถ้าท่านสามีภรรยาทะลรักกันแท้แน่นอน แม่เลื่อมสายศรทาขึ้นกันและการเห็นอกอกเห็นใจเอาอกเอาใจกันอย่างมีแล้วรับรองว่าหนึ่งในตองอูหนึ่งบวกหนึ่งเป็นหนึ่งนี่คือปัญญาตัวนก็นท่านมาจเจริญกรรมฐานอาจจะรักสามีภรรยามากขึ้ น, นจะรักลูกพี่ตูกฝางมากขึ้นจะห่วงใ ย, ยลูกมากขึ้นแต่ความดีของท่านจะถึงก็ติดอยู่ในจิตใจแต่ปัญญาตัวไห น, นคือตายายมปีปรัชนานเอง กายภายในคือพระติดีเราจะเยี่ยงเท้าไปไหนจะเดินหงอพรางเราก็รู irrel, <ina> ้ตัวในสัมปชัญญะว่าเราเดินเนี่ยสวยไหมจะพูดจาเพราะไหมแล้วปิริยามารย่าที่เราทําไปนั้นมันเหมาะสมกับสถานที่ไหมเหมาะสมกับการเวลาไหมเหมาะสมกับสังคมที่เราไปมาไหมเราเข้าสังคมเขาเขาเขาเขาก็ได้แต่งตัวก็มีระบบ มีระเบียบในสังคมเข้าสังคมก็ไม่เก้อเขินเข้าทีไหนก็มีแต่ผิดใจท่านจะเ บ, บิกบานน้ำษาชีวิตชวาท่านก็จะแจส่สายเหมือ น, นดอกไม้ต่างพันสีเขียวสีแดงสีเหลืองว่ากันไปเอามาจัดแปรกันเอามาสายพานเข้ามาจะน่าสวยเแล้วคนมีปัญญาเอามาจ่ายก็สวยร่ํำรวยทุกคนมีระบบมีระเบียบเพียบเดืวิน่นัย ทำอะไรก็รักกันดีมีปัญญาสามีภรรยาปลองดองรักเหมือนพี่มีน่น้องน้องรักเหมือนเพื่อนรักเหมือนมิตรเหมือนมิตภาพอันดีงามจิตใจก็เบิกบานนี่คือตัวปัญญาภายในมีโล ก, กออกดีทุกคนส5ผ้าหยกหยกทีผูก ด, ดองดองสวยน่นารักกำลังไปที่นารักนาใครของบิ ด, ดามันดา และกอปีติยามารยาตอนน้อมต่อบิดามารดาบิดามัรดาก็รักใคร่เรื่องมใสศรัทธากับลูกลูกก็เคารพบูชาพ่อแม่พ่อแม่ก็ดูแลลูกดูชมเชยลูกว่าสวยน่ารักจะแต่งกายจะใส่เสื้อผ้าอภรรกก็น่ารักไปหมดคนที่มีปัญญาณพทางภายในจะแต่งหน้าก็สวยจะดัดผมจะทรงผมก็สวย รวยในน้ำาจมันทรงสวยไปหมดจะยืนเดินก็สวยนะ่ารักจะล้างชามก็สะอาดเรียบร้อยจะล้างแก้วก็เรียบร้อ ย, จ ะ, กก ย, อยจะถูบ้านก็เรียบร้อยสวยสะอาดหมดจดนะั่นปัญญาตันไหนทั้งนั้นก็ได้จากการเจริญสติไปพูดให้มันถูกต้องหน่อยได้ไหมบางคนก็บอกว่าไปวัดไหนมาไปวัดหนท์น้อยไหนไห น, นเลยก็ปรับไปกันไห น, นกันไหนกัน เลยไปทะเลาะกันใหญ่เลยไม่ใช่วัดนั้นนะวัดนอนนอนน่ะหน่ไม่ใช่ไม่อย่าสอน น, อน้อหนอนน่ะแน่นะไม่อ่าสอนให้โยมไปสู้ซาสู้ซาสู้ซาเป็นโคกเป็นโคกไปแล้วก็เป็นโ ค, นโคล่คาไปอย่างนั้นหลยวัดเปิดจุกเข้ามาก็สู้ซาสูา้ซาสู้ที่โนนซาที่นี่ไปแพซาที่โนนแพซาที่ น, ôle, นี่ชอบปิ้งที่โนนชอบปิ้งที่นี่ไม่ใช่วัด น, นี้แล้ววัด น, นี้ชอบสงบปลาลกทำ สามีภรรยาสวยน่ารักจะมีบุตรธิดาก็สวยน่ารักทำอะไรมันน่าดูน่าชมพิลมรักชับก็เกิดขึ้นคุณสมบัติก็ดีความมีความดีก็ดีขึ้นเรียกว่ารับมีชื่อเสียงมีความรักไปไหนคนไหวเนื้อเชื่อใจมันได้รับความสะดวกสบายเนะื้อเหลือเกินชาวที่ันมีปัญญาตัวนานสร้างสติไว้ได้กาหนดให้มันได้ อย่างนี้เป็นตน้นถ้าเดินจงกรมเพ่งผิรลายเท้าอย่าไปหลับตามองคนโน่เนย่ยไปดูเสือโน่นเนี่ยแล้วก็ขวาย่างนอไอ้สติมันดีขึ้นรก็ตัญญาตัวนหนก็เกิดให้ร่างกาชั้งขานมาเป็นสภาวะลูกเท่านั้นลูกจะเดินจะสวยจะดีก็อยู่ที่จิตเิตชท่นมีความสุขเิตชั่นมีอารมณ์ดี จิด ท, ท่านมีปัญญาเจ็ด ท, ท่านจะแก้ปัญหาทางด้านกายได้ตายานุปัชนาอั น, นเดินจงกรมได้ดีมีปัญญาแล้วก็ย่อตัวกําหนดนั่งหนาะนั่งหนาะลงไปแล้วก็มีสติตลอดรายการจะหยิบจะยกจะหยิบอะไรก็ต่างสติไว้ให้มันคุ้นให้มันเคยกับความดีอันนี้ท่านจะมีบกพร่องน้อยท่านจะมีแต่ความมั่งมีสิสุด ทำอะไรก็มีชลีหนิงขวัญมงคลประจําตนประจำตัวประจํำท่านทั้งหลายชลีหนิงขวัญมงคลเทพเจ้าเทาวดาทั้งหลายก็สรรเสริญเจริญพรแก่ท่านทั้งหลายด้วยเวทนานุปัชนากตา่างก็อันเดูยกันเช่นกายพองหนョยุบหนอให้ใจยาวหน่อยน่ะเอาสติตามลมหายใจให้ได้าหายใจเข้าท้องมันจะพองหายใจออกท้องมันจะยุบ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 เป็นอนิจจังทุกขังนัตตาสภาวะกายพองกายยุคลูกทองลูกยุกมิสติกำหนดได้ฉันก็รู้ว่าลูกปรทมนามปรรมในตัวเป็นอย่างไรปัญญาก็เกิดขึ้นมาได้ในตัวเองทำอะไรก็ใจร้อนก็กลายเป็นคุณใจเย็นใจยเย็นแน่นอนในเมื่อใจเย็นดีแล้วทำอะไรมันเย็นอกเย็นใจนี่หละโบราณประวาละไว้ร้อนแดดที่แผดเผา นั่งจะต้องหลบเข้าทอยต้นศึกษาล้อรักหนักกุลาจะหลบเข้าที่ไหนกันนีเ้เจ้าคะขอฝากไว้จะหลบไปเข้าที่ไหนหนักไม่เอาเบาไม่สู้ความรู้ก็ไม่มีจิตใจก็เหลวแรงแตกลานออกไปนอกประเด็นนี่หรือท่านจะมีแต่ผู้มีปัญญาจะหลอกดูในกองกางเรืร่องขานอย่างไรได้แล้วเราก็อา่านตัวไม่ออกน่าจะยืมหมอเนีย่ย หองหนอยุกหนอก็อา่านไม่ออกนะเลยก็อ น, นอนหนอแน่แน่เลยก็ไปมาไปวัดไหนมาจ้าไปวัดไหน่แน่นอนหนอก็แกไปสู้ฆ่ามันไปสู้ข้าไปโคกแคทชนน์ฆ่าสติแต่คนมีสติปัญญาจะเดินสวยจะเดินสวยจะเดินด้วยความเหมาะสมขอฝากว่าอย่างนี้เป็นต้นตอนแั้ ง, งลายไม่ต้องเสียความคิดไรปรเปลาดไม่เป็นประโยชน์แตบประการใด เวทนานุปัจนานั้นบังคับไม่ได้บัญชาก็ไม่ได้ไม่เกิดเองทําไมจึงเรียกว่าเกิดเวทนาเพราะบังคับบัญชาไม่ได้เกิดเองทั้งนั้นเป็นปวดเมื่ อ, อยเนี่ยมันเกิดเองปังคับก็ได้แล้วนั่งนานทขาก็ปวดเมื่อยเป็นธรรมดาเดี๋ยวก็ทุกเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจยมันก็เกิดขึ้นกับตัวเราเองชาปัญญาตัวไหนมันจะเกิดมันจะบอกว่าทุกข์ ไม่มีความสุขเลยมีแต่ความเสียใจก็กําหนดเสียใจยหนอเสียใจยหนอต่อเสียใจยขึ้นมามาใดไม่กาหนดเสียใจเสียใจยมันจะฝังจิตใจแน่นเป็นอนุสารเป็นชั้นดานต่อปะปัดมีแต่ความเสียใจทายความดีใจดีใจก็ต้องกำหนดที่ไหนคะที่ลิ้นปีที่ลิ้นปีนปให้ใจยาวๆให้ลึกๆ ล้รู้ความเป็นอยู่ของชีวิตว่าปัญญาจะเกิดตรงนั้นอตาตมาตอนคอหักนั่นมีสติพูดได้ชิดไปว่าตาย ท, ที่ไหนมันก็ไม่รู้แล้วมันตายไปหมดทั้งตัวแล้วหายใจทางกระดือได้แม้ได้ปัญญาตัวไหนมีแหลวเวทนาเกิดขึ้นุกทุกมันจะเกิดขึ้นออกับต้งตองกหนดปวดทั่วกับกุลละกายปวดเมื่อยกันหลัง มันจะปวดอะไรก็กําหนดก็กําหนดนั่งสติไว้เท่านี้เองปัญญาตัวนายก็จะบอกเราว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงไปเดี๋ยวมันก็ดับไปธรรมชาติธรรมดาไม่มีอะไรที่แน่นอนตลอดไปได้หรอกมันไม่ใช่นั่งปวดตลอดวันตลอดคืนมันต้องเปลี่ยนอริบทยืนเดินนั่งนอนยืนแล้วก็ต้องมานั่งนั่งแล้วก็นอนกนอําหนด เรียนตามอริยบทไปตามหน้าที่ของอินทรีหน้าที่การงานที่จะต้องรับผิดชอบทางตาเห็นหนอเสียงหนอรับผิดชอบทั้งหูไว้เปล่งหนอรับผิดชอบทางจมูกไว้คานะคิวหาวิญญาณจะจับคุ้งอุตตปาฏิยานางเป็นตน้นยาณแล้วก็ต้องรับผิดชอบด้วยในตนเองทั้งนั้นจากขุนศรคืออินทรีทั้งทั้งห้าอริยอินทรีทั้งหก พวานหกหินี่ยี่สิบสองห้าพิษแปดมันก็อยู่ในตัวเราครบก็สรุปแล้วเหลือกายกับรูปจิตกับกายรูป ก, กับนามเท่า น, นั้นไม่มีอื่นใดนอกเหนือไปจากนั้นได้เรามีสติกำหนดครบทันทันเวลามันจะไม่เชียหายจะประการได้จะแก้ปัญหาได้ทุกวิตีทางถ้าปัญญาตัวนี้ถึงจะติดอยู่ในจิตใจท่านได้ จะรู้ว่าปัญญาตัวในมันแก้ปัญหาได้จริงไอ้ปัญญาตัวนอกอย่ไปเรียนมายังไงยังไงก็แก้ไม่ได้ขอฝากญาติายาจโยมไว้ที่นี้ด้วยมีเป็นประโยชน์แก่ตัวท่านเองแต่ท่านจะเอาได้หรือไม่ได้เนี่ยปัญญาตัวในถ้าท่านกําหนดหน้าัางสติทุกอรียบทแล้วมันจะสวยสดงดงามมันจะสวยตลอดกาลเวลามันจะไม่มีเสียหายเป็นกระ บ, บอนก็แบ่งกระกรก็แปรปนเกิประการได้ สวยน่ารักน่าชมพิลมลักบางคงก็สวยจริงแต่ถูดฉาบหน้าเปรีย่ยนพิลึกหน้าเปรียดแล้วมันจะสวยไม่ไม่เสมอตอนไม่เสมอปลายสวยเป็นก็บอนก็แบนสวยถูดฉาบสวยบางตามเวลายังใช่ไม่ได้ต้องสวยเปรียดเลยไม่ละเลยสวยตลอดตามเวลาสวยทั้งต้นทนปลายนี่อย่างนี้เป็นตน้นเวทนากําหนดสังสี อุเบกขาเวทนามันไม่สุกมันไม่ทุกข์นั่งเฉยๆใจมันก็ลอยหาที่เกาะไม่ได้ตองกําหนดว่ารู้หนอรู้หนอที่ยิ้มปีนั้นกำหนดรู้เขาไว้มันจะได้รู้ไปทั่วรู้ถึงปัญญาว่าเวทนาไม่เกิดเคลื่อนโดยอุเบกขาเวทนาไม่สุกไม่ทุกข์ใจมันก็ลอยเหมือมองไปยันที่ต่างๆติดใจก็ไม่มีที่เกาะถ้าคนราวเก้าต้องมีที่เกาะเกาะต้องมีที่เก็บ เก็บความรู้สึกไว้ความดีมีปัญญาเก็บสะสมความดีไว้เหมือนเกลือรักษาความเช็นฉะนานให้เป็นประโยชน์แต่ตนเองเป็นประโยชน์ต่ อ, อครอบครัวเป็นประโยชน์ต่อสังคมเขาเราจะอยู่ในสังคมเขาก็เราก็ต้องอาศัยอันนี้เราจะได้รู้ว่าฐานะเราดีอย่างไรแล้วจะแต่งตัวเขา้าสังคมแต่งแบบนี้จะถูกต้องไหมคนสังคมจะนิยมไหม ตเรามีปัญญาตัวนายจะแต่งตัวได้สวยหรูน่าทัศนาดูตลอดกาลสวยทนต้องทนปลายสวยเรียบเรียบเรียบเติมไม่ะเลยสวยตลอดกาลไม่ชูฉาดไอสวยชูฉาดนี่มันสวยเพียงคู่เพียง เ, เวลาส ว, สวยด้วยศีะลธรจรรวัตโดยสติทั้งปัญญะไม่ลดละภาวนาจะสวยตลอดกาลเวลา สวยเรียบร้อยสวยไม่บกพร่องสวยตัวนี้แปลว่าน้าดูเหมาะสมคทำมาสวยตัวนี้แปลว่าเหมาะสมแล้วเหมาะสมก็ดูกลางหน้าตาแปลงกายแต่งเสื้อผ้าอาภรณ์ก็เหมาะสมทั้งใบหน้าวางหน้าวางตาได้เหมาะสมยิ้มแย้มแจ่มใสต่างกายก็ละนาเจรจาไพลาะสงเราะห์เอื่อเพื่อขาเหลือก็ดูแพร่ ไม่แปลกลูกค้ามาก็จะยินแยแ้มแจ่มใสปัญญาตัวนายมีถต่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นจะขายดิบขายดีมั่งมีทีสุขจะท่าขายก็รวยจะทําไรก็รวยทธุรากิจก็ทั้งเด็ด เ, เสร็จพันธันเวลาสําคัญธุ์ตัวปัญญาตัวนายมันไม่ค่อยมีการไม่ได้มาปฏิบัติให้มันเคร่งครัดแค่ปฏิบัติอย่างจริงจังแต่ประการใดเลยมีแล้มันเป็นอย่างนี้กังหนอ เหตตามตุปัทานาติปทานข้อที่สามเหเป็นธรรมชาติของทิศอ่านอารมณ์รับรู้อารมณ์วิญญาติรานาเมเทปิชึกเสียงมันไม่มีตัวตนจะคลั่งมันไม่มีลักษณะว่าให้เราคลั่งได้เป็นตัวตนเลยมันอยู่ลอยๆเหมือนกระแสไฟฟ้ากระแสคลื่นไฟฟ้าอยู่ที่อารมณ์ของเราถ้าเรามีสติธรมะชัญยะดีตลอดลมหายใจเข้าออกฟองหนอยุบหนอนยแล้ว แล้วก็รู้ได้เลยว่าว่าอ๋ออารมณ์ดีมีสุขอารมณ์ไม่ดีมีทุกข์ให้ได้ถูกป่ะ อ, อารมณ์ดีมาใดท่านจะมีความสุขมั้นอารมณ์ท่านลายอารมณ์ไม่ดีจิตใจไม่สบายท่านจะมีแต่ความทุกข์ความยากความลําบากตลอดในการจะไม่มีความมั่นหมายในใจจิตท่านก็ไม่มั่น ผิดท่านจะไม่เป็นตัวของตัวเองจะไปเชื้อพึงพาอาศัยก า, ายแน่นอกพกในใจแล้วก็ไปถ่ายเทพบรรเหนือมานไปถ่ายเทพบรรใต้ถ่า ย, า, ยายแล้วยังไม่พออัดมาอีกอัดมาเปิดในบ้านกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะขาดปัญญาตัวไหนไปหาบัรเหนือบรรใต้พราะมันแน่นอกพกในใจไม่รู้จะไปถ่ายให้ใครทั้งก็ไปถ่ายคนละ ก, กันบ้างจนเขาขี้เกียจฟังเขาเดินหนีก็มี บางคนมาเล่าแต่เรื่องความล้างเรื่องความทุกข์ความอะไรไม่ควรจะเล่าอาดีตเป็นความฝันปัจจุบันเป็นความจริงอดีตอย่ามาลื้อฟื้นเรื่องอื่นจะคิดคิดชอบหน่าจะทํากันให้มันได้อานาคตไม่แน่นอนแต่อย่าจับมั่คขั้นมาตายท่านจะผิดหวังท่านจะเสียใจตลอดชาติจะไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาชีวิตของท่านได้จะไม่เกิดประโยชน์ผลพน้นจากการใดเลยขอเจรินพรอย่างนั้น นี่แหละเป็นสูตรําคัญไห น, นมาจิตมันคิดอะไรเลเพลา่าพาตั้งสติก่อนเอาปัญญาตัวนามาพิจารณาก่อนว่าคิดหนอคิดหนอคิดหนอร้อย้างใครทางกำหนดไว้ตั้งให้ใจเด่นยาวเดี๋ยวมันจะคิดออกบอกกปัญญาตัวนว่าที่เราเสรแสไปคิดนั้นน่ะไม่ถูกต้องมันเสียสมองเสีย ให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บนานาประการให้เครียดประสาทไปเปล่าเดี๋ยวความดันสูงดันต่ำขึ้นมาเราจะเกิดมีโรคภัยไข้เจ็บเปลี่ยนบีบขาก็ไม่มีความสุขเลยนะขอฝากจเจริญพรอย่างนั้นบาะคนก็มีแต่ความทุกข์ทำมาหนุปัชนาติปฐานข้อที่สีนั้นทําเป็นกุศลทําไปหนักกุศลเราก็ไม่ทราบว่าเราทําไปแล้วเมื่อครั้งอดีตเมื่อเดือนที่แล้วปีที่แล้ว ถูกต้องประการด้มาปีนี้หาความสุขไม่ได้เลยเป็นหนี้สินเขา ม, ามากมาย ก, ก็เหตุใด้ปัญญาตัวนายก็จะบอกครั้งอดีตขึ้นมาว่าอ๋อเนี่ยมาปีที่แล้วเมอเดือนก็ไม่พอใช้เงินทองก็ไม่พอเลี้ยงลูกห่งลูกเรียนหนังสือนิยกเปลี่ยนเทียกไม้ฟังไม่พอก็เพราะมันขาด บ, บกบล้องตรงไห น, น ปัญญาตัวนายก็จะบอกว่าต้องอุดตรงนั้นต้องขาดตรงนั้นต้องเติมตรงนั้นต้องขาดตรงนี้กันต่อนีน่แหละมันมีประโยชน์แต่ผู้ปฏิบัติทำตลอดกาลเวลาไม่จะเสียหายอไหนขาดตรงไหนก็ไปเติมเกินก็ตัดเพื่อประหยัดเวลาอย่าไปเพียดสมองไปทำไมเราไปคิดจะให้มันโรคแตกไม่มีประโยชน์ต่อทผลกับประตามได้ยิ่งคิดไปก็ เ, เสียสมองยิ่งคิดม่ ก็ต่างชนิดอารมณ์ก็เป็นพิษเป็นภัยต่อร่างกายควรจะมีโรคอย่างเดียวก็โรคมาแทรกซ้อนทำให้เราอายุสั้นทําให้เราตายไวไปโรคหัวใจถึงก็เยอะเดี๋ยวก็ดีไม่ดีก็กลายเป็นโรคทายมากคิดมากตายก็กลายเป็นโรคลํำไส้บ้างโรคถายโรคตายโรคมะเร็งบ้างเป็นตน้นเป็นกันหลายโรคหลายเรื่องเปลี่ยนเวลาเป่งกดแห่งกรรมประจำตัวประจำต น, ป ร, ำตนประจำบ้างของตอน นี่ยาโลกภัยไข้เจ็ดมันก็เกิดขึ้นเองธรรมานุปัสนาสถิปตฐานก็ทธ่ทำในไทยไหนเป็นกุศลหรืออกุศลทําไปแล้วจะได้ดีหรือจะได้ชั่วแต่ประการใดมันก็เกิดมาพันครัวอย่างที่ชี้แจงแสดงมาหน้าบัตนี้นี่ยเพราะว่าสติเนี่ยมันเป็นพลังภายในหรือเป็นกําลังภายในให้เราเรียกว่าปัญญาตัวนในสติเป็นอาหารจิตของผู้ปฏิบัติธรรม สติปัญญารักษาโลกให้เครียดไม่ให้หายเครียดให้หายเปล่งได้หายปวดทุกข์ได้ไม่ปวดทุกข์ต่อไปต้องมีสติปัญญาตัวนายช่วยไว้สติปัญญาทําให้สัดถึงใจได้ถูกต้องจะไม่เสียหายต่อไปจะไม่บกพร่องในตัวเองปัญญาสติสัมปชัญญะทําให้เกิดสมาธิคือทางระบายความกัดกลุ้มกลามของใจได้ เรามีสติ ท, ทั้งปัญญะดีสมาธิมันก็จะบอกว่าทำให้หายใจกลุ่มหายเช่มองใจง่ายแน่นอนไม่ต้องไประบายคายุณิ่้ฟังสมาธิหรือสติปัญญาเกิดจากภายในก็สามารถจะมีสมาธิดุจดุจดุจแบบตนแบบแบบเม็ดเม็ดเมอรีด่ดวนไ ด, นดน้สตามสท า, า, านด้ สติฉันบัญญัติเปรียบประดุษว่าตำรวจปราบมีวรห้าประการอย่างที่เคยพูดในบทแล้วมีวรห้านี่มันจะกัดก้างความดีของเราไม่ให้ไปหาความดีได้สติปัญญบัญญัตเปรียบประดุษปัญญารักษาโลกเชื่อมซึมโศกเศร้าเสียใจได้ประทางนี้สติกาหนดไวด้ได้ท่านจะแก้โลกเชื่อมซึมและโศกเศรา้าจะไม่เสียใจต่อไปแล้วขอฝากไว้ขอให้ทําให้ได้จริง ปัญญาที่ได้จากการปฏิบัติธรรมนี้ตางสถิกําหนดได้ทุกอย่างสามารถจะตอบถิงใจในปัญหาของชีวิตได้ถูกวิธีการเดี๋ยวท่านจะตอบถึงใจพิดอาจจะเสียวิธีการเสียเวลาเปล่าๆไม่เปิดประโยชน์แต่ประการใดนี่แหละปัญญาสมาธิเกิดจากตามนีสติเนี่ยมันมีปัญหาของชีวิตสามารถจะแก้ไขได้ถูกวิธีและถูกต้อง สติแลรไม่ชัญงยะทำไม่ให้ปวดที่สะไม่ให้เป็นโรครุ่ยง่ายแน่นอนที่สุดและก็สติปัญญาตัวนี้นะ่ะเป็นแบบนับลมเข้าออกคือพองนอยุบน้อกมาธิแบบเจริญอนุสติก็มีเจริญกมาธิจำเิยพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณสวดมนต์ภาวนาตาก็ถือว่าสมาธิเหมือนกัน ก็ใช้ได้ผลมองการสมาธิแบบเจริญอทุภะเราก็จเจริญอทุภะขวานเก้วานสามคือบอ่บุญบ่บาปทท้ายก็มาจาจิตขวานหกไปสวรรค์นรกกระบอกไว้ทุกประการดูในขวานหกครบเลยจะไปนรกหรือจะไปสวรรค์จะไปมนุษย์อย่างไรขวานเก้าท้องเราปําูกสองหูสอง ปาหนึ่งเป็นเจ็ดแปเจ้าสวามนะสวานเบากพิจารณาในร่างกายทั้งขานว่ามันปฏิกรูนัชญาหาความอหอมและชื่นใจไม่ได้เลยพิจารณาแล้วก็ตรงตกในร่างกายทั้งขานพวกเราไม่ต้องไปพิจารณาคนอื่นเขาแทบประการใดสติธรรมชัญญะกำหนดท้องหนอยกหนอที่อยู่กับทอ้องเรียกจเจริญอนาปาแลสดได้ เรียกให้ใจเข้ารู้ให้ใจออกรูน้นั่นเองจยาใจสติไปก็เจริญเจริญสติปัฏฐานสี่นั่นเองมีความหมายดังกล่าวแล้วอีกประการหนึ่งแต่หากว่าท่านเหตุใดที่คิดไม่เป็นสมาธิะไม่มีสติเลยเพราะขาดการกำหนดไม่ค่อยกําหนดล่อยละเลงหลงไปปล่อยให้มันไปตามชอบใจตามใจตอนตลอดเลยการ ไหนเลยลราจะมีสมาธิเกิดขึ้นได้เพราะท่านนางไม่ถูกวิธีอย่างหนึ่งําหนดลมให้ใจไม่ได้อย่างหนึ่งยืนหนอไม่ได้อย่างหนึ่งหายใจเข้าพองยังไม่ทันหนอยุบยุบยังไม่ทันหนอพอง ไ, ไปแล้วเมื่อนั่งไม่ถูกวิธีอย่างหนึ่งสจิตวิตกตกกังวลมากในมาจิตตกวิตตกกังวลมากแล้วท่านจะไม่มีสมาธิเลยนะสามเหนื่อยมากเกินตายอย่านัา่ง ไปทำอะไรเหนื่อยมาก็ ห, หายเหนื่อยก่อนค่อยไปเดินตรงกรมทนเหนื่อยเนี้ยถ้าไปเดินตรงกรมท ำ, ทำมานัางั้นจะไม่ได้ผลนะมันเหนื่อยมากยังกำหนดเหนื่อยไม่ได้ยังมีเป็นตอนสิ์ท่านจะไม่สงบจะไม่เป็นธรรมาที่จะประการใด้ีป่วยหรืออาพาธนะถ้าไม่ฝึกไว้ก่อนถ้าไม่ฝึกไว้ก่อนเป็นธรรมาที่ยาก มันไปอยู่ที่เวทนากําหนดเวทนาไม่หายลอกคลางโวยวายโวยวายตลอดเลารสมาธิไม่เกิดเพราะท่าไม่เคยฝึกไว้ก่อนันริะการต่อไปลาภเกิดดําจิตฉาเกิดขึ้นแล้วถ้าสมาธิท่านจะไม่เกิดแนนอนโทสะเกิดจําหนดไม่ได้มันก็ไม่เป็นสมาธิต้องกําหนดให้โทสะมันหายไปก่อนโปรดหนอโปรดหนอให้หาย ถ้าโปรดน้อไม่หายท่านจะทํำสมาธิไม่ขึ้นยังโปรดอยู่ตลอดยังปูกพยาบาลข่าส่วเวงกันอยู่ตลอดโดยการสมาธิท่านจะไม่ดีจะไม่มีขึ้นจะเกิดไม่ได้ไม่อารมณ์กระทบไม่ได้กระทบเข้ามาแล้วไปรอยไปนู่นเลยท่านสมาธิท่านจะไม่เกิดจิตใจจะไม่สงบจะประการใดต้องอดทนอดกลัน้นอดอองประปรยอมยอมความไว้นี่แหละการนั่งสมาธิ บำเพ็ญกิจภาวนาให้มีสติประาญาสื่อยู่ตลอดเวลาแล้วท่านจะมีสมาธิดีจะมีปัญญาเกิดสามารถจะแก้ปัญหาได้ทุกประการปัญหาของที่ท่านได้นั่นก็เป็นปัญหาที่ได้มาจากตัวเองเพราะว่าตัวเองเนี่ยสาาร้างจะปัญหาสาาร้างแากความทุกข์ความสนุกตลอดเวลาโบราณท่านว่าไหวตามปฏิธรรมที่นามาเคยชี้แจงไปแล้ว เวลาใดทําใจให้ของแค้วเหมือนได้แก้วมีอฆ่ากูลาสีเวลาใดทําใจให้หลายทีเหมือนมันมนี้แตกหมดตวัวคาลแห่งความสุขทางใจมีหายากคนส่วนมากไม่ชอบจะแสวงหาชอบแต่จ ะ, ะแวงหาความสุขสนุกในหูตามันจะพาชักจูงให้เรามันยุ่งใจตลอดเลยการความยุ่งใจเกิดขึ้นแล้ สมาธิท่านจะไม่เกิดกระเสดไม่ได้ปัญญาก็จะไม่มีขอฝากญาติโยมผู้ปฏิบัติธรรมไว้ทุกทุกท่านโปรดตั้งใจทําด้วยความตั้งใจเถิดทาด้วยความเคารพเราตั้งอธิษฐานติดเข้าไวแล้วว่าจะเดินจงกรมหนึ่งชั่วโมงนั่งหนึ่งชั่วโมงขอให้ได้หรือให้ม่นเกินกว่าพ อ, อนั่งไปแล้วเวลาออกหนึ่งชั่วโมงมันยังมีเวทนาหรือมีความคิดกุ้งจางอยู่อย่าเพิ่มลุก อย่าเพิ่งออกจากที่มันจะเคยตัวตองกําหนดเวทนาให้หายก่อนกําหนดจิตให้ฟุ้งซ่างให้มันหยุด ก, ก่อนผิตกําลังคิดกําลังฟุ้งร่างกําลังรุ่งเรืองกันขนาดนั้นแล้วพอชั่วโมงพอดีที่ตั้งศัตรอธิษฐานไว้เวลาจะนั่งหนึ่งชั่วโมงอย่าเพิ่งลุกออกไปไม่งั้นทางจะทำต่อไปจะไม่จะ ด, ดีนั้หยุดก่อนอย่าเพิ่งลุก แล้วเราก็ไม่ต้องฟังฟังหนอยุกหนอเพราะหมดเวลาหนึ่งชั่วโมงก็กำหนดคลิกกาหนดฟุ้งคลางให้หายก่อนกําลังฟุ้งคลานอยู่มันหมดเวลาพอดีนะแล้วก็ปล่อยตามฟุ้งคลานไว้ในใจถ้าท่านจะแก้ไขปัญหาไม่ได้เลยต้องกําหนดให้หายก่อนไหนมากําหนดหายได้แล้วก็ท่านจะไปเดินจงกรมหรือนั่งใหม่ท่านจะจะรุ่งเรืองขึ้นปัญญาก็จะดีธรรมาทิคก็จะมาด้วยไหว หากว่าทำนั้นยังไม่สมุบได้ปล่อยไปตามรรกระแสคลื่งกระแสลมปล่อยตามเรื่องตามราวแล้วโยอมที่ทำจะไม่ได้ถอนเวลาจะปวดหนักปวดเมื่อยเหลือเกินปวดก้นเหลือเกินปวดขา ม, มากสุดสุดแต่หมดเวลาแล้วอย่าเพิ่งลุกไปกําหนดปวดเมื่อยให้ได้ให้มีสติอยู่ก็ตรงนั้นต่อไปนั่งต่อไปไอาการปวดอย่างนั้นมันจะเคลื่อนโยกขึ้นย้าย อาคาวลูกี่อสสาศัยลูกเกิดนั่นสังขารสุขแกงมันจะเคลื่อนย้ายออกจากนั่นไปแล้วจะมันจะไม่มาจับจุกนั่นคือปาทานก็มายึดมั่นที่นั่นต่อไปแล้วจะมีประโยชน์แก่ญาติโยมทั้งหลายเจตมาได้ชี้แจงแสดงปัญญาเรื่องการปฏิบัตินี้พอถึงควรแนวเพื่อเป็นทัศนาศึกษาเป็นแนวทางปฏิบัติของญาติโยมต่อไปขอจิงน้อยนอนน้อยพูดน้อยทำความเพียรให้มากต่อไป อย่าไปสนใจอย่าไปคุยกันมันเสียอารมณ์ถ้าเราคุยกันมากไปเสียอารมณ์เนี่มันงั่งมันเดินมันไม่เดืดรอนจึงต้องให้สงบเนคขมะปฏิบัติให้เพ่งพลัดปฏิบัติอย่างดีต่อไปโยมจะให้มาเสียเวลาไปเปล่าเลยมันปฏิบัติต่อไปมันไม่มีทางจบไม่มีทางจบผอดอย่างที่เขาว่ากันวัดโ น, น้นบาปนั้นเขาจบผอดเดินหกระยะเร็จมัน มันไม่ได่าอะไรเลยขอดนี้ยังไม่ได่ายังไม่ถามเดนหนอห้าครั้งยังไม่ได่าเห็นหนอเข้าตังแต่ที่สระลงตายท้าจะได้รู้ว่านีสายไม่ดีคนนี้ดีพบได้สมาคมได้มันก็จะบอกเราได้มันมีประโยชน์แต่ธุระเกิดมีปร ะ, ะโยชน์ต่อการทํางานและหน้าทีมีประโยชน์ต่อการรับผิดชอบชีวิตของตนตลอดทั้งตายก็ไ ด, ได้ดึกได้ดีมีปัญญาถึงญาจากโลกไปสู่ธรรมปริยภพ ก็ได้ตาลบสุขติสิงปาติ่กลางขาจบเกิดจะกจิตใจแล้วตายจากโรคนั้นไปก็จะได้ไปสวรรค์แมนแดนสวรรค์ดูที่ชันฟ้าดูได้อยู่ความสุขความเจริญในชีวิตจิตใจต้นชีวิตนี้และชีวิตหน้าต่อไปอาไมสามารถจะไปนิพพานได้เราจะกลับมาเกิดในโลกมนุษย์ก็จะเป็นแสตชีมาหาเกิดฐีจะได้มั่งมีสิทธุต่อไปจะมีเครื่องครบรับลมก็จะดีขึ้นมา มีลูกหลานในตระกูลใหม่ที่เราตั้งใจไปเกิดหรือว่าไปเกิดในนั้นก็จะได้ดุจดีดีท่านตระกูลเพิ่มปูนบริบูรณ์ตลอดเพราะอํานาจปุญญกุศลโดนบันดาลให้คุณได้ถ้าไรบุญกุศลไอวาสนาแล้วมันก็ไม่สามารถจะโดนบันดาลให้ได้ส่องอาศัยบุญอาศัยกุศลอาศัยชื่อขึ้นของตอนตลอดกาลเวลาที่อยาตามาดได้ชื่อแจงเรียงมาก็พอสมควรแต่เวลาในทัศนาศึกษา ในการบัญญาชิ้นเรื่องการเจริญสมาธิการเจริญสฏิปาัานสีการเดินทางไซเอตามมีปัญญาในภายในปัญญาในตัวจะได้แก้ปัญหาโภเอินได้และแก้ปัญหาช่วยคนอื่นได้เราพุทธเจ้าพระองค์ท่านมีพระปัญญาคุณในในพระองค์ท่านแต่จริงเอาปัญญาของพระองค์ไปช่วยชาวโลกให้พ้นได้จากกองทุกข์ เปิดแสงสว่างของปัญญานี่เองทำให้เราขว่างสวยโลกแจ่นใสตลอดกาลเวลาตนชีวิตนี้และที่หน้าต่อไปขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมสัมมาปฏิบัติหน้าที่ตรงมีแต่ท่านผู้ปฏิบัติธรรมทุกทุกท่านขอทุกท่านจงเจริญไปด้วยอายุวันณาถุขาภรลปฏิพานนาสารสมบัติ นึนกคิสิ่งประการใดสมความมุ่งมากาันาด้วยกันทุ ก, กทุกนามณโอกาสบัดนี้เธอ